นี่คือรายการเปิดตามที่ถูกปิดภาคออนไลน์ทางเพียวธรรมะคอมธรรมารมพระภัยบุญอภิบุโนจากวัดป่าดอนไห่โศกทุกสัปดาห์ก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังแล้วก็มีผู้ร่วมดำเนินรายการนั่นก็คือคุณหมอรัตพงศ์ครับกล่าวนามรัศการและกล่าวสวัสดีท่านผู้ฟังครับกระผมธนแพทย์นัทธพงศ์กนกวิรุณครับจากกรุงเทพครับทุกสัปดาห์เราก็มาไม่เคยขาดนะหมอรัตพงศ์ครับผมตอนนี้กเป็นเอพิซอดที่เท่าไหร่แล้ว39ครับท่านสาแล้วครับ ก็เป็ น, <ห>นครั้งที่39ใชค่ครับก็วันนี้จะพูดถึงเรื่องอะไรวันนี้จะมีเรื่องของอกรรมที่พูดในคราวที่แล้วนะครับเรื่องกรรมที่เนื่องจากตอนที่38นิดหนึ่งใช่ครั บ, รบที่เราพูดถึงเรื่องของกรรมกไก่รอเรือรอเรือ ม, อมาม้านะว่ามีประเด็นที่น่าสนใจก็เช่นว่ามีกรรมกรรมเนี่ยแล้วเกี่ยวกับเรื่องเจตนาไหมคือกรรมนี่คือเจตนาแหละะพุทธเจ้าบอกไว้ชัดเจน ใช่ครับแล้วถ้าไม่ได้ตั้งใจล่ะ อ, อ, อย่างนี้มันจะเรียกว่าอะไรลักษณะตา่างๆนี้ก็ที่จะต้องการเพิ่มเติมให้ในวันนี้ก็คือเพื่อที่จะย้ำนะให้ถูกต้องออประเด็นที่จะย้ำนี่คือเรื่องของกรรมกรรมแปลว่าเจตนาการกระทําก็ส่วนหนึ่งการกระทําทางกายทางวาจาทางใจนะมีเจตนาเกิดขึ้นแล้วก็มีผัสสะนี่ก็แยกออกไปอีกส่วนหนึ่งนะผัสสะเนี่ยแปลว่าการกระทบซึ่งเราก็จะพูดถึงเรื่องผัสสะในวันนี้ด้วย ครับผม อ, อ่แล้วก็สมมุติบางทีเราทำสิ่งใดไปไม่ตั้งใจเนี่ยมันจะเป็นบาปไหมมันจะให้ผลไหมนะเราะฉะนั้นวิบาก ค, คือผลอบาปนะคือโทษบุญอย่างนี้เจตนาพวกเนี้ยเกิดขึ้นยังไงลำดับไหนก่อนหลั ง, งนี้ก็จะมาซ้ำอีกทีหนึ่งครับอันดับแรกก็คื อ, อทีนี้ท่านผู้ฟังฟังไปเนี่ยเนื่องจากอันนี้มันเป็นสื่อเสียงเพราะฉะนั้นฟังไปมันจะทาไงเห็นภาพล่ะ ถ้ามีกระดานก็จะเขียนให้ดูได้ทีนี้ก็ทําฟังไปอย่างนี้กันลําดับที่หนึ่งก่อนนะลำดับที่หนึ่งก่อนต้องมีผัสสะนะจะมีผัสสะเนี่ยมันจึงจะเกิดกรรมได้เจตนาได้พระพุทธเจ้าก็จึงบอกว่าผัสสะเนี่ยเป็นแดงเกิดของกรรมนะเพราะฉะนั้นอันดับหนึ่งเกิดก่อนคือผัสสะตุ้มเข้ามามันมันจะมาตุ้มเราเนี่นะเหมรรผมมันมาทางตาขูดจมูกลิ้นกายใจไม่ทางไหนก็ทางหนึ่งหทางอ่านี่ทางไหนก็ทางหนึ่งแต่พวกนี้คือผัสสะนะผัสสะคือการสัมผัสมาตุ้มเราแล้ว สิ่งที่จะเกิดอย่างที่สองที่สามตามมาเนี่ยก็คืออย่างที่สองเนี่ยจะเป็นสิ่งที่เรารับรู้ทางอารมณ์ได้คือพรรษาแล้วเนี่ยพระชาติบอกว่าจะมีเวทนะนารหรืออย่างที่สองก็จะมีสัญญาหรืออย่างที่สามก็จะมีเจตนาประการใดประการหนึ่งใช่ไหมครับ อ, อ, อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้หรือพร้อมกันก็ได้หรือว่าเป็นลําดับขั้นก็ได้ครับในสมมติมีอะไรมาแสงมาเข้าตาจะมา ปุ้ง<อ>ขึ้นมาเงี้ยคือตานี้มันรับแสงได้อย่างเดียวนะใช่ครับปรากฏว่า้สัญญาก็เกิดขึ้นมาอา้าวนี่มันรูปรูปหลวงพ่อนี่อย่างนี้เป็นต้นครนะก็จะมีสัญญาเกิดขึ้นละรูปหลวงพ่อนี่คือสัญญาของเราอ๋อความจาําได้หมายรู้นี่นะะใช่จําได้หมายรู้ทีนี้ถ้าเผื่อว่ามีแสงมาเข้าตาแล้วเราก็อาจจะมี เ, เวทนาว่าเอ้ยชอบพอ ต, ตอนนี้ง่วงอยู่ นะพอมีแสงเข้าตาทำให้รู้สึกตื่นตัวชอบขึ้นมาเป็นเวทนาที่ชอบอย่างนี้เป็นต้นนะหรือว่าจะมีเจตนานะคื อ, อเจตนาว่ากายกรรมเจตนาทางกายทางวาจาหรือทางใจออกไปเนาะอย่างเช่นถ้ามีแสงมาเข้าตาแล้วเราก็มีเจตนาทางวาจาออกไปบอกว่าเออดีส่องมายอย่างี้ก็ดีแล้วก็นี่ก็เป็นเจตนาทางวาจาอย่างหนึ่ง <No. S 2> ทีนี้นี่คือลาดับที่ที่สองลำดับที่สองเนี่ยจะเกิดเวทน า, าสัญญาหรือว่าเจตนาเกิดขึ้นทีนี้จริงๆตรงเนี้ยมันเป็นอันที่ อ, อันที่สองนั่นแหละอันที่สามเนี่ยจริงๆต้องเป็นเจตนาอันที่สามเนี่ยคือเจตนาสองนี่นะมันจะมีอันนี้แฝงอยู่ด้วยเรียกว่าความที่เรารู้สึกต่ออารมณ์ได้ Oh. หนึ่งคือภาษากระทบเข้ามาใช่ไหยจะมีอย่างที่สองคือเวทนาสัญญาหรือเจตนาใช่ไหมเจตนาครับแตนี้อย่างที่สามก็จะมีส่วนด้วยก็คือเรียกว่าความที่เรารู้สึกต่ออารมณ์ได้อันนี้จะเป็นกรรมเก่ากรรมเก่าอ่ากรรมเก่านะสมมุติว่าพระอารหันต์เนี่ยอันที่สองส่วนที่เป็นเจตนากับอันที่สามส่วนที่เป็นความรู้สึกต่ออารมณ์ได้จะไม่มี hmm. แต่ถ้าปุถุชนธรรมดามีความมีสัมผัส เกิดขึ mm. ้นมาตุ้ม1เกิด2อสาเกิดตามมาทันทีนะสองสามคือบางทีมีสัญญาบ้างบางทีมีเจตนาบ้าง3ก็คือความรู้สึกต่ออารมณ์นั้นๆนะทีนี้พอเป็นอย่างนี้แล้วเอาหยุดแค่นี้ก่อนหนึ่งสองสามทีนี้ถ้าเผื่อว่าเราไม่ได้เจตนานะมีการกระทําขึ้นไปที่ไม่ได้เจตนานะมีการกระทําออกไปที่ไม่ได้เจตนาอย่างเงี้ยถามว่าอันที่2เกิดไหม นะมันก็จะต้องเกิดสัญญาอย่างไงก็แล้วแต่ถูกไหมสมมติขับไปชนหมาอย่างเงี้เราก็รู้ว่าอันนี้เป็นหมารู้ว่าหมาขาหักอันนี้คือมีสัญญาเกิดขึ้นแล้วสัญญาของความเป็นหมาบ้างสัญญาของความบาดเจ็บบ้างอย่างเ้ยเนาะถ้าเป็นคนทั่วไปก็คือก็มีความรู้สึกต่ออารมณ์ต่อว่าอ๋อเดี๋ยวเหมือนเหมือนว่าต้องความผิดเออเป็นอะไรเนี่ยคือกรรเก่าจริงๆรอ๋อครับอนี่คือความกรรเก่าจริงจรเพราะนั้นกรรเก่านนี้คือความที่เรารู้สึก ต่ออารมณ์ได้แล้วคุณไม่ได้เจตนาใช่ไหมไม่เป็นไ ร, รนะแต่มีสัญญาของความที่หมาเจ็บใช่ไหมอันนี้<อ>เป็นกรรมเก่าของคุณเกิดขึ้นทันทีเดี๋ยวนั้นว่าคุณจะรู้สึกไม่สบายใจใช่ครับอพ อ, อรู้สึกไม่สบายใจตรงนั้นแล้วก็ยังไงล่ะก็เลยจะทําให้เขาเมีความรู้สึกต่ออารมณ์อันที่ไม่สบายใจใก็เป็นกรรมเก่าทันทีเพราะฉะนั้นเจตนาหรือไม่เจตนาเนี่ยมันไม่เกี่ยว นะเจตนาหรือไม่เจตนาเนี่ยเป็นกรรมใหม่ที่คุณจะทําเนาะแต่ว่าผัสสะที่เกิดขึ้นยังไงมันก็เกิดผัสสะที่<ช>เรารหรือที่เขาใช่ไหมครับแล้วก็ถามว่าแล้วจะได้รับผลไหมถ้าไม่มีเจตนาจะไม่ได้รับผลนะผลของกรรมนั้นเนี่ยจะไม่ได้ได้แต่ว่าคุณมีผัสสะที่เกิดขึ้นเดี๋ยวนั้นครับนะก็ยังไงก็ต้องก็ต้องเกิดอ่นะเนาะ แล้วถามว่าบาปไหมเหมือนไม่เป็นกฎธรรมชาติจริงครับกฎธรรมชาติจริงเนี้ยจริงต้องย้ําอีกครั้งนึงเลยว่ามันเป็นโทษของสังสารวัฏจริงๆครับเนาวเราทําความดีดีดีดีสุดๆดเลยนะครับแต่ปรากฏว่าคนอื่นไม่ชอบอืเนี่ยพอคนอื่นไม่ชอบปุ๊บมีภาษาเขาแสดงความไม่ชอบออกมาอย่างเงี้ยเราก็เกิดความรู้สึกต่ออารมณ์ว่าโอ้ไม่ดีเลยทําไมเขาถึงไม่ชอบเนาะอย่างเงี้ยเราก็ไม่สบายใจทั้งนั้ที่เราทําดีนะแต่เกิดความไม่สบายใจ อืมใช่ใช่ครับคุณทําดีนะแต่คุณเกิดความไม่สบายใจโอ้โหอะไรกันเนี้ยหนึ่งว่าเรามีเจตนาดีนะแต่ทาไมเราไม่สบายใจอืมใช่ใช่อ่ะมันครับไอ้อีกประการหนึ่งแล้วถามว่าเป็นบาปไหมไอ้ที่เจตนาไม่ได้เจตนาแต่ว่าทําความความดีไปด้วยแต่ว่าคนอื่นเขาไม่พอใจครับเป็นบาปไหมครับอันบาปไม่บาปนี่เราก็วัดกันที่สิบใหญ่อย่างที่พระเจ้าเคยบอกไว้อันนั้นก็คือเรื่องของอสัมมา อะไรล่ะสมาทิฏิพยาบาทมิจฉาทิฏฐิเอาหมายนะเอาที่เป็นเป็นบุญก่อนนะเป็นบุญก็คือสัมมาทิฏฐิอภยาบาทแล้วก็ความไม่เบียดเบียนสามอย่างนี้แล้วก็ยังมีอีกสี่อย่างหนึ่งคือเรื่องของวาจาใช่ไหมวาจาที่ไม่ส่อเสียดไม่โกหกไม่ไม่เพิ่เจ้าไม่เพิ่เจ้าแล้วก็ไม่หยาบแล้วอีกสามอย่างก็คือ ไม่ฆ่าศัตรูไม่รักษาไม่ผิดในการมสิบอย่างเนี้รวมกันจะเรียกว่าเป็นเป็นบุญนะตรงกันข้ามอีกสิบอย่างหนึ่งก็จะเป็นบาปตรงข้ามกับบุญใช่ครับบุญหรือบาปเนี่ยพระเจ้าก็จะวัดกันที่ความสุขในจิตทีนี้ว่ามันมีความสุขได้ทุกระดับเพราะว่ามันเป็นมันมันเป็นเรียกอนาล็อกนะมันก็จะมากน้อยตามลําดับทีนี้เกณฑ์ในการวัดเนี่ยก็คือว่าเอาตรงไหนไปนรกตรงไหนไปสวรรค์ตรงที่ไปสวรรค์นั่นคือเป็นบุญ ตรงที่ไปนรกนั่นคือเป็นบาปครับออย่างนี้เนาะจริงๆบุญบาปเนี่ยพุทธเจ้าก็ให้ทิ้งหมดนะครับบุญบาปก็วางให้ให้ปล่อยหมดอ่าเพราะว่าอย่างสัมมาทิฏฐิอันเป็นส่วนแห่งบุญยังเกี่ยวเนื่องกับของหนักก็มีอยู่นะสัมมาทิฏฐิที่ไม่เกี่ยวเนื่องกับบุญไม่ไม่เกี่ยวเนื่องกับของหนักก็มีอยู่คือบุญก็ต้องทิ้งเหนือไหมแต่บุญบาปเนี่ยก็มาเป็นเกณฑ์ในการวัดการกระทําของเราเฉยๆอืมครับเพราะฉะนั้นผู้อีกครัางหนึ่ง ว่าบุญบาปนะเป็นเกณฑ์ในการวัดการกระทําของเราเฉยๆว่าดีหรือไม่ดีแต่บุญบาปรบจรคุณจะเข้าวิมุติคุณก็ต้องบางหมดใช่ไหมต้องปอวางทั้งหมดทีนี้มีบุญมากมันก็ดีแหละทําให้มีสมาธิฏิมากก็มีอินทรียภาวนาที่ดีขึ้ น, นะนการกระทำนะยังไงมันก็ต้องได้รับผลเจตนาที่ดีๆบางครั้งเนี่ยมันกลายทําให้เราไม่สบายใจเพราะว่าความรู้สึกต่ออารมณ์เพราะฉะนั้นสิ่งที่มากระทบของเราเนี่ยนะ อาจจะเป็นกรรมเก่าก็ได้อาจจะเป็นแค่มันเป็นผัสสะเฉยๆก็ได้อาจจะมาเป็นผลของดินฟ้าอากาศก็ได้อาจจะเป็นเกิดจากการเตรียมตัวไม่ดีก็ได้แล้วมันได้ทั้งนั้นแล้วพระเจ้าจึงบอกว่าอย่าเพียงเชื่อว่าสุขทุกข์กที่เกิดขึ้นกับฉันเ น, นี่ยเป็นเพราะกรรมเก่าอย่างเดียวอย่าไปเชื่ออย่างนั้นเ<อ>นา <ำ S 2> ะจะมีกรรมปัจจุบันด้วยใช่ไหมครับใช่ทางการกระทำปัจจุบันภัสสะเกิดกับปัจจุบันอย่างนี้นะครับิดดูบางคนรู้วยมหาศาล รวยมหาสา ร, รแต่ไม่มีความสุขจากเงินที่มีม ต, ตัวอย่างเราได้เคยยกไปแล้วชายคนหนึ่งที่รวยๆแต่ว่าใส่เสื้อผ้าป่าๆอย่างเงี้ย น, นะใส่นั่งรถเก่าๆมันก็กินก้อนกรดคุกเกลือเป็นอาหา ร, รทาั้งๆที่รวยมาก อ, มอันนี้ก็เป็นประวัติกรรมเก่าของเขาคือความที่เขาไม่มีอารมณ์ที่เกิดขึ้นต่อความรู้สึกนั้นเป็นอย่างนั้นเท่านั้นเอง เพราะฉะนเรื่องกรรมนี่มันไม่มีอะไรเลยมันโยนทิ้งคือหมายว่าเราทวลจะทําให้เกิดความสิ้นกรรมครับอย่างงี้นะที่เรียกว่ากรรมมันิโรธามินีปฏิปทาใช่ใช่ปฏิปทาที่ทําให้ถึงความสิ้นกรรมนั่นก็คืออริยมรรคมี่องแปดครับผมอ่ามันก็จะสอดคล้องกันไปกับการปฏิบัติของเราครับอืมีอะไรมากระทบมนต์ปวงเวลามีอะไรมากระทบครับไม่ต้องไปคิดหรอกว่าทํำไมชีวิตฉันมัน มันน้อยนเนื้ อ, อต่ำใจเออหรือว่าเยื่อหญิงว่าฉันก็ดีนะฉันพอจะมีบุญบ้างอะไรบ้างก็กระทบมาแล้วก็เราตั้งเจตนาไว้ให้ดีก็พอครับเราตั้งเจตนาไว้ให้ดีก็พอเราก็จะสบายแล้วล่ะครับอย่างมีอมัทควิธีที่ง่ายคือมีอะไรกระทบปั๊บเนี่ยทิ้งเลยอย่างนั้นก็ก็ได้ใช่ไหมครับหมายนว่าไม่ต้องสนใจเนื้อหาอย่างนี้ครับหมายถึงลักทิ้งเลย ก็มันอยู่ที่ว่าเราเป็นทิ้งได้ไหมอ่ะทิ้งเนี่ยหมายความว่าเราคือปล่อยวางทางใจอะนะใช่ครับไม่ใช่หมายว่าไม่สนใจอย่างเงี้ยนะครับอะไรเสียมันก็คงจะต้องซ่อมอะไรไม่ดีก็คงจะต้องแก้แต่ว่าในใจเราเนี่ยปล่อยวางซะครับปล่อยวางอย่าไปยึดถืออย่าไปยึดมั่นว่าอันนี้เป็นอะไรเห็นภาพแสงสีเสียงในจิตเวลานั่งสมาธิคนมาด่าเราว่าเราอย่างเงี้ยก็อย่าไปให้มีความ กังวลใจให้ปล่อยวางซะเราก็จะสบายใจได้ครับ อ, อก็เป็นอินทรีย์ภาวนาที่ต้องฝึกกันไปเรื่อยๆนะครับ อ, อันนี้ก็จะเป็นลักษณะการที่เรียกว่าให้ถึงความสิ้นกรรมเนาะไม่ต้องแก้กรรมไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นมันไปตามแกรรม้กันไม่ไหวเราเคยยกตัวอย่างที่สมเด็จสังก ร, ราชองคปัจจุบันเคยพูดถึงเอากระดาษแผ่นหนึ่งมาเขียนกอไก่ลงไปใช่ไหมเขียนกอไก่ถึงห้องนคู่เขียนลงไปกระดาษเปล่าๆว่างๆขาวๆเนี่ยจนกระทั่งทุก ทุกอนูบนกระดาษเนี่ยเป็นสีดําไปหมดเอ๊ะแล้วกอไก่ตัวแรกมันอยู่ไหนอ่ะแล้วขอขายตัวที่สองมันอยู่ไหนอืมมันไปหาตามหรมันไม่เห็นแล้วอมันจะทับกันไปหมดเลยครับนะแล้วจะไปตามลบมันก็กระเทือนอันอื่นด้วยวิธีแก้ก็คือว่าทิ้งกระดาษไปเลยไม่ต้องเขียนอีกนะครับเราก็ไม่ต้องตามลบอีกหมดกระดาษก็จบเลยสบายที่สุดครับออืืม คือพ้นจากระบบของสังสารวัตรบบพ้นจาก ร, ระบบของกรรมนรกกเ่เนรเทวชาันเปรวิสัยด้วยพ้นจากสวรรค์อะต่างๆไปด้วยหมดเลยครับอและทิ้งการเกิดไปเลยใช่แล้วเรื่องกรรมเนี่ยบางคนก็จะไปเข้าใจว่าโ อ, อ้ฉันต้องเบิกบุญมาให้อชปัจจุบันเพื่อที่จะฉันจะได้สบายอะไรต่างๆเงี้ยนะครับมันก็พอเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นอจินไตเราไม่ทราบ เนาะแต่ว่าการเบริกบุญการอะไรต่างๆเนี่ยเรางี้สิเราก็ทํายังไงให้เราไม่ต้องมาต้องมาเบิกบุญอีกอย่างงี้ย น, นะเบิกบ่อบยๆ เ, เดี๋ยวบุญหมดคื <c oughs> บบอมันก็ต้องมีให้เบิกนะถ้าคุญไม่มีให้เบิกมันคงจะเบิกไม่ได้แต่เบิกเบิกยังไงเบิกได้หรือไม่ได้เราไม่รู้ว่าคุณเอาตรงไหนไปพัดอ่ะใช่ครับอ่าอย่างที่เคยไปถามพวกนิครณน่ะว่าคุณทําทุกขลกกิริยาเนี่ยคุณรู้ไหมว่ามันสิ้นไปเท่าไหร่ ไม่รู้ฮะไม่รู้อ่าแล้วคุณรู้ไหมไอ้ที่ทําไปมันสิ้นไปเนี่ยมันสุดไหนมันมันเกิดจากของใหม่หรือของเก่ากันแน่ไอ้เขาก็ไม่รู้แฮะอ่าแล้วอถามว่าแล้วที่ทําทําอยู่เนี่ยอ่าตรงจุดไหนกันแน่ที่มันสิ้นไปรู้ไหมเขาก็ไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นคุณเบิกเบิเนี่ยเบิกตรงไหนเบิกมาทำอะไรเบริกอยู่ตรงไหนดีขึ้นไหมของกําหมดเท่าไหร่เราก็ไม่รู้นะ เอาเป็นั้นเราก็สนใจแค่ว่าเรามีเจตนาดีก็แล้วกันครับอย่างนี้นะตั้งเจตนาให้มันก็เอาเท่าที่พระเจ้าบอกบบเจตนาว่าเราทำความดีนะเจตนา<ม>เราละวางนะเจตนาเราเป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานนะก็เนี่ยถือว่านับวินาทีนั้นเราก็าทำให้ถึงสี่สุดก็เรียกว่าให้เกิดการสิ้นกรรมได้ครับ ก็ฝึกบ่อยๆให้มันเจริญต่อเนื่องกันไปใช่ไหมครับใช่ใช่ย้ำอีกทีหนึ่งนะความรู้สึกต่ออารมณ์ได้นี่คือกรรมเก่าครับนะความรู้ ส, สึกต่ออารมณ์ได้คือกรรมเก่านะกรรมใหม่คือเจตนาทางกายวาจาใจนะสิ่งไหนเกิดไม่เป็นไรเกิดก็เกิดสิ่งไหนดับไม่เป็นไรดับก็ดับนะถ้าเรายังมีความรู้สึกต่ออารมณ์ได้เรายังไม่พ้นจากกรรมเก่าเจตนาตอนนี้ทํายังไงแม่ผ้าหลานเอง ท่านก็มีเจตนาดีอยู่ตลอดเวลาครับแล้วก็มีเจตนาอันเป็นกุศลธรรมอยู่ตลอดเวลาครับใช่ครับอืแล้วก็ทําอย่างนี้เทันืมครั บ, รบนะี่ก็เป็นเป็นความรู้ใหม่นะครับสําหรับกระผมด้วยเพราะว่าที่ผ่านมาเหมือนกับว่ากายนี้คือกรรมเก่าแล้วก็นึกว่าเออก้อนกายของเราเนี่ยคือกรรมเก่าก็ เกิดมาอย่างนี้ก็คือกรรมเก่าแต่ว่าอันนี้ตอ่อ <c oughs> ลึกลงไปอีก น, นะครับอ่าใช่คือหมายความว่ า, า ท, ที่ท่านวงเล็บเอาไว้คําว่ากายนี้เนี่ยหมายความว่าเวลาที่เราจะรู้สึกต่ออารมณ์ใดๆได้เนี่ยเราต้องใช้กายอาศัยกายครับอ่าอาศัยกายครับพระพุทธช้างพูดตรงเรื่องนี้จบนะหมอรมัตพงแม่คระพุทธชา้าเนี่ยลึกซึ้งมากจริงๆพรุทธช้างบกว่าอย่าเป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังเลยใช่ครับบอกว่านั่นคนไม้นั่นเรือนว่าง พวกเธอจงเพียรเผากิเลสอย่าเป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังเลยแม้คานี้เนี่ยมันก้องในหัวธรรมามากเลยนะอืใช่ค่ะอย่าเป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังเลยลึกซึ้งนะครับท่านพอพอพิจารณาเล็กๆนี่อื้แบบมันมันจริงอย่างที่มันจริงต้องอย่างนี้อย่าเป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังเลยพอถึงเวลาแล้วนะโอ้ตายแล้วตายแล้วตแล้วอย่างงั้นอย่างนี้เกิดขึ้นทํายังไงแก้ยังไง อย่าเป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังเลยยพระโถอยไวกันนะก็คือก็ทำคามเจตไปเรื่อยเจตนาพระพุทธเจ้าอย่าอย่าให้เป็นผู้ผร้อนใจในภายหลังก็คือว่าให้ให้ทาแล้วก็ปล่อยวางใช่ไหมครับคือหมายความว่าสร้างเหตุให้ถ okay. ูกต้องนะถ้าเราสร้างเหตุถูกต้องแล้วเราจะไม่ร้อนใจในภายหลังคือคือให้ให้ปล่อยวางในผลด้วยใช่ไหมครับคือ ผลจะเกิดยังไงก็คือเหตุเนี่ยมันก็จะต้องเป็นไปตามลําดับงไงหมอแท่านผู้ชใช่ครั บ, <ม>รบอสมมุติคนที่เขายังปล่อยวางไม่ได้เขาก็ยังปล่อยวางไม่ได้อะนะงั้นเราก็เขาก็ต้องสร้างเหตุไปตามลําดับลําดับถ้าสมมติคนที่เพิ่งเริ่มทําเนี่ยจะให้เขาปล่อยวางหมดเนี่ยเขาก็คงจะทํายากยากัากนะเพราะนั้น เรื่องนี้ก็คงต้องค่อยๆทําไปเอาศีลก่อนศีลศีลให้ดีใช่ไหมก่อนศครับโยนทิ้งของทุกอย่างมาบวชไม่เอาอะไรเลยอมันก็คงจะยากสําหรับเขาแล้วก็ให้ทําเป็นลําดับลําดับอย่างเงี้ยสาหรับพระหรอคุณยังจะมาขวนขวายไปซื้อนั่นซื้อนี่ไม่ได้เรื่องต้องถูกด่าถูกว่าเอายิมันก็เป็นอีกระดับหนึ่งใช่ไหมต้องขนาบต้องขนาบพระยังจะมาขวนขวายทํานั่นนี่มันไม่ใช่เรื่องแล้ว เลิกก่อสร้างไปนั่งสมาธิอย่างเงี้ยนะมันก็จะต้องเป็นลำดับลาดับไปแล้วแต่ความปกติของแต่ละท่านละคนอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็คือเรื่องของกรรมนะที่เพิ่มเติมให้เกี่ยวกับพัรษะด้วยทีนี้พอมาถึงเรื่องพัรษาเนี่ยมันต้องพูดเยอะเพราะว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากเป็นหนึ่งในสองอย่างที่พุทธเจ้าบอกว่าเมื่อเราทําสังกีติแล้วเนี่ยพระทธรรมจะตั้งอยู่ได้นาะ ภัสสะนะครับสังคีตินี่หมายความว่ามาคุยกันมาวิพากษ์วิจารณ์มาขบคิดมาศึกษากันนะแล้วจะเป็นเรื่องที่ดีมากภัสสะนะผัสสะผัสสะและอิทธิยานะอะไรเงี้ยนเรื่องปฏิจจสมุปบาทอ๋อปฏิจจ์ครับก็คือความเป็นเหตุเป็นผลอย่างที่เราพูดกันนี่แหละครับผมอจริงๆมันก็เหมือนเป็นเรื่องเดียวกันนะครับเพราะภัสสะในกรณีของปฏิจจ์ก็ก็เริ่มตรง เริ่มได้หลายอย่างเนาะเริ่มที่มันก็จะอยู่ที่ภาษาอะไรมันก็จะไม่หนีไปจากนี้มาแก็จะเอาเราที่นี่แหละครับนะมันก็จะหนีไปจากนี้ไม่ได้เราจะคิดว่าเราจะมีอิสระใช่ไหมคุณก็มีอิสระอยู่ในเนี้ยอยู่ในบ่วงแห่งมาันนะคือภาษาทั้งหลายทีนี้พอเรามาพูดถึงภาษาเนี่ยก็จะต้องพูดถึงคํานิยามของเขาก่อนภาษะภาษามันคืออะไราภาษาอังกฤษเขาใช้คําว่า contact คือหมายความว่าสัมผัสนั่นเองครับ ก็คื อ, อตาเห็นรูปใช่ไหมตารูปวิญ ญ, ญาณเข้าไปรับรู้นั่นคือปัจจัต่างๆาัจจัตทางตาครับหูจมูกลิ้นกายใจก็เหมือนกันครับหูจมูกลิ้นกายใจปันะใจก็คือจิตตัวจิตเป็นตัวรับใช่ไหมครับก็จะมีการรับรู้ทางใจวิ ญ, ญญาณทางใจครับคำ ว, ว, ว่าวิญ ญ, ญาณเนี่ยก็เราใช้คำ ว, ว่ารับรู้ก็ได้ ค, ความรับรู้ทางใจธรรมารม แล้วก็มีจิตใช่ไหมมีใจครับมีความรับรู้ทางใจแล้วก็มีธรรมารมสามอย่างรวมกันเรียกว่ามโนวิญญาปัฏฐามโนปัฏฐะทางใจครับทีนี้ปัฏฐานี้ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องอะไรที่มันจะยุ่งยากมากนะครับแค่ว่าการที่คุณได้ยินเสียงนี่ก็มีภาษาทางหูลแล้วทีนี้ถามว่าทําไมปัฏฐะเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากมนุษพงคิดว่าเพราะอะไรเพราะว่าเหมือนเป็น จุดเริ่มต้นของการกระทบกันนะครับมีมีคนเขาเคยมาเล่าให้อามาฟังนะครับพวกที่บวชบวชแล้วสึกสึกไปแล้วอ่ะเขามาเล่าให้อาตมาฟังบอกว่าท่านอาจาเนี่ยนะตอนบวชนี่มันก็ดีดีนะแหมจิตใจเราสงบพอศึกไปแล้วเนี่ยนะไอธรรมะที่อยู่กับใจเราเนี่ยนะมันประมาณเท่ากับระยะเวลาที่เราบวชคูณสองสมมติคุณบวชสามเดือนใช่ไหมใช่ครับผมอธรรมะที่ยังอยู่ในใจคุณเนี่ยจะมีอยู่แค่ประมาณ6เดือน หลังจากเดือนที่หกไปนะเริ่มเหมือนเดิมแล้วเว้ยเหมือนกับก่อนยังไม่บวชครับคุณมาหลีกเลนกี่วันเจ็ดวันใช่ไหมคูณสองไปสิบสี่สิบสี่วันสิบสี่วันพอหลังออกจากคอสหลีกเล่นไปสิบสี่วันเท่านั้นวันที่สิบห้ามันเริ่มเหมือนเดิมละด่าว่าโกรธจี๊ดไอ้ทาไมบางคนมาพูดกับเราเป็นอย่างนี้อันนี้สูตรที่เขาคํานวณของเขาเองนะไม่ใช่ปุทุวะเจนะนะครับเอ้ทาไมเป็นอย่างนี้เออเออบางคนมาหลีกเลนได้ดีดีอยู่ กลับไปไม่พอสามวันเลยเดอ่าได้แล้วบอ่างคนมาวัดนะทําบุญทําทานกลับไปถึงที่บ้านไปทํางานวันต่อไปทะเลาะกับหัวหน้าเลยก็มีครับเอทํำไมเป็นอย่างกันอือาจจะเป็นเพราะว่าอืเรื่องของยังไงฮะอินทรีย์เนี่ยเราถึงต้องบอกว่าคือเรื่องในจิตเยมันก็เรื่องในจิตนะแต่ละคนแต่ละท่านจะไม่เหมือนกันใช่ครับ ทนี้มันเรื่องที่สําคัญสําคัญมากๆเลยเนี่ยนะเกขื่อธมาต้องพูดอย่างนี้เลยว่าสมุตย่างเป็นประอย่างเงี้ยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการควบคุมเช่นวัดเป็นต้นเช่นหมู่คณะที่มีการคอยดูแลเกื้อกูลกันคอยตักเตือนกันเพราะฉะนั้นมันจะไปออกนอกลู่นอกทางเนี่ยมันก็จะค่อนข้างยากใช่ไหมแต่พอเข้าไปอยู่ในสังคมของที่เป็นคารวะนะเป็นทางมาเอกทุลีเดี๋ยวก็ชวนนั่นไปนี่ดูทีวีอีกต่างหากดูถูกดึงทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ ใจนี่ก็แหลกเป็นเสียงเสียงนะไม่มีกําลังอันนี้ก็เป็นทางใหมายทุลีพวกนี้คืออะไรพวกนี้คือภาษาหมดเลยนะใช่ครับอบเพราะฉะนั้นสมมุติว่าเราบอกว่าเรามาเข้าคอร์สลีเล่นอย่างดีละแหมใจสบายกลับไปบ้านคนนี้ก็พูดใหม่ดีคนนั้นก็อุตากันว่า ก, กันเห็นสิ่งไม่ดีเห็นสิ่งไม่ดีมากเข้ามาเข้าเนี่ยนี่คือภาษามันเข้าตลอดนะใช่ครับอ่ามันก็โน้มไปในแนวนั้นไง เมื่อเธอตรึกตามตรองตามถึงสิ่งใดๆมากจิตก็น้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นครับการตรึกตามตรองตามถึงสิ่งใดๆเนี่ยมันก็เข้ามาทางภาษาทางนั้นสมมุติเราอยู่กลับไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เขามีการผิดศีลอยู่เรื่อยเรืเราก็จะเห็นว่าการผิดศีลเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาทั้งที่เราไปทําอย่างดีมาแล้วนะใช่ครับออหรือว่าถ้าเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เขาโกหกพูดตลกโปกห้ากันเป็นธรรมดา นะคุณมาหลีกเร้นหรือว่าไปบวชมาอย่างดีสงบสงเเกรมเจียมตัวสมรวม C, อินทรีย์เพราะไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมนั้นเขาพูดคำหนึ่งสองคำเราก็นิ่งอยู่ได้ไปเรื่อยๆมันเลยเริ่มเสียเริ่มเป๋ครั บ, รบชักจักไม่ไหวอ่าเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีสัมผัสเกิดขึ้นใช่ครับอย่างพระใหม่อย่างพระที่ฝึกมาดีแล้วเนี่ยดีๆนะพอมีพระอื่นมาอยู่ด้วยเป็นพระเกเรหน่อยนะคนเราก็ลงไปด้วยแย่ไปด้วย เพราะมันมีภาษากันอืมใช่ครับอ่ามันเป๋ไปได้อืมอ่าเรื่องนี้ผู้ชอบเคยพูดไว้นะในเรื่องที่อยู่ในอริยสัจจาระาต้นที่เราพูพ้ตายการรประตูนิพพานอ๋อครับผู้ตายการประตูนิพพานนะคือมีบุคคลหนึ่งเขาอ่าเป็นแผลครับนะเป็นแผลเสร็จแล้วหมอเขาก็เลยมารักษาให้ครับนะเป็นถูกลูกศรยิงอ่ะถูกลูกศรยิงเสร็จถอนลูกศรเอาเครื่องตรวจ เอ็กซเรย์เนี่ยหาตรวจหาโอ้ ห, หลูกศรแล้วดึงออกประกอบลูกศรนี้ไม่ใช่ลูกศรธรรมดาลูลกศรอาบยาพิษด้วยยาพิษครับประกวดอา บ, บยาพิษเร็จแล้วประกอบยาถ่ายโทษเสร็จพิ ษ, พษหายเย็บแผลเรียบร้อยปะแผลหมอบอกว่าแผลหายแล้วนะเธอแล้วก็แต่ว่าอย่าไปกินของแสลงนะรหรือถ้าอย่า ก, กินของแสลงแล้วก็ถ้าแผลเนี่ยต้องล้างแผลตามเวลานนะ แล้วถ้าแผลอย่าปล่อยให้มันโดนโลมโดนแดดเกลื่กลางด้วยทรายของศพโรกไม่ได้นะถ้าเกลื่กลางด้วยทรายโดนแดดโดนลมต้องล้างแผลนะจงสําคัญว่าแผลเป็นเรื่องสําคัญเธอไวอย่างงั้นใช่ครับพรากฏว่าไอคนที่ถูกลูกศรยิงนี่ก็คิดว่าโอ้ oh, ตายแลดีจังิงๆเลยเร า, าหายแล้วจากจากแผลหมอรักษาเราเรียบร้อยแล้วสบายแล้วเราไวครับกูไปกินเต็มที่เลย กินของแสลงกินเต็มที่เลยกินของแสลงด้วยนะแล้วก็ไม่ระวังของกินใช่ไหเศษเปิบไม่ล้างแผลตามเวลาไม่ล้างแผลตามเวลายังไม่พอโดนลมโดนแดดโดนของโสโครกก็ไม่รักษาแผลไม่มีแผลเป็นเรื่องสำคัญประกอบว่าแผลที่สมานกันสมานกันนั่นนะก็เริ่มเละเริ่มเน่าเริ่มปวเริ่มอักเสบ นะเขาก็จะได้รับทุกเจียนตายอืนะอันนี้เปรียบเสมือนกับบุคคลที่คิดว่าตัวเองน้อมไปในนิพพานโดยชอบละหรือว่าน้อมไปแล้วจริงๆก็ไม่รู้ละอาจจะน้อมไปจริงๆหรืออาจจะยังก็ไม่รู้ละแต่แต่ว่าถ้าเผื่อว่ายังมีตาหูจมูกลิ้นกายใจอยู่ยังมีแผลอยูนะ่แล้วดันไปประกอบตามธรรมที่ไม่เป็นที่สบายแก่การโน้มไปในนิพพานโดยชอ บ, บ ห, มมอหมายความว่าอะไรหมายความว่พาพุทธเจ้าบอก อย่าผิดศีลใช่ไหมเธอไปผิดศีลพระุทธเจ้าบอกอย่าดูกานเล้วเป็นค่าสึกต่อกุศลทำใช่ไหมเธอไปดูครับแผลก็มีแผลก็อักเสบขึ้นมาครับแล้วก็ไม่ประกอบธรรมอันเป็นที่โน้มไปในนิพพานโดยชอบชพรุทธเจ้าบอกให้หลีกเล้นนะให้เจริญสตรีประฐานสไม่ทำํำนะมันก็ไม่โน้มไปในนิพพานโดยชอบแล้วจะเอาอะไรครับใช่ไหมก็จะเป็นผู้ที่ตายคาประตูนิพพานแต่อีกคนหนึ่ง อีกคนหนึ่งนะก็เป็นแผลเหมือนกันนะแล้วก็ไปหาหมอเหมือนกันหมอก็เอาเครื่องเอ็กซเรย์ตรวจดูดึงลูกศรออกประกอบยาแก้พิษใช่ปะแผลเย็บให้เรียบร้อยละคือออกจากโรงหมอนี่นะหมอฤทธิพงแผลมันยังไม่สนิทกันดีนะใช่ครับใช่ไหมออกจากโรงพยาบาลเนี่ยพูดภาษาลาวเลยโรงหมอนี่จริงเป็นภาษาลาวครับก็จะหาว่ามาอยู่อุดรอยใกล้นะครับเออนั่นแหละ ปรากฏว่าออกจากโรงพยาบาลมาแผลมันยังไม่ปิดสนิทกันดีนะใช่ครับเอก็เลยคือยังไงก็แล้วแต่เถอะถึงแม้จะคุณจะอยู่รักษาตัวที่โรงพยาบาลเนี่ยหมอเขาก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องให้แผลแบบสนิทกันเป๊ะๆแล้วถึงถึงให้คุณกลับนะคือเขาก็จะไล่กลับตั้งแต่พอมันจะเริ่มหายแล้วใช่ครับนะซึ่งตอนนั้นเราก็ต้องกลับมาดูแลตัวเราเองอยู่ดีต้องดูแลพักฟื้นเองครับใช่ซึ่งประเด็นตรงนี้ก็คือเหมือนกับบุคคลที่สองที่เขา มาดูแลรักษาแผลอย่างดี mm hmm. แผลนั้นเนี่ยก็เป็นลักษณะว่ามีเนื้อ ง, งอกขึ้นเต็มนะแล้วก็สบายอยู่ได้มีการดูแลรักษาแผลเป็นเรื่องสําคัญไม่กินของแสลงเพราะฉะนั้นก็คือเปรียบเสมือนกับบุคคลที่คิดว่าตัวเองน้อมไปในนิพพานโดยชอบเช่นอะไรโซนาปฏิมักโซนาปฏิผลเอาคุณคิดว่าฉันเป็นผู้ที่ตั้งมั่นอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีศีลหครบเติมบริบูรณ์ใช่ไหมแต่ปรากฏมีเพื่อนชั่ว เพื่อมนชวนไปกินเหล้าเอานิดนึงนะเป็นยาคําหนึ่งใช่ไหมแล้วก็ดูการเล่นเล่นอาคำสองมันเป๋ไปได้เหมือนกันนะมันจะเริ่มทีละนิดนะฮะโซนาปฏิมาคมมันก็เปไปได้นะเปได้คอ่จะเป็นผู้ที่แผลผู้พองได้เป๋ปนี่หมายความว่าสัตยธรรมคุณก็จะไม่ผ่องแผ่วแล้วก็จะเสื่อมจากคุณที่จะเสื่อมจากธรรมที่ได้รับแล้วอย่างนี้ก็มีนะบางคนได้สมาธิได้ศีลแล้วก็เสื่อมไปบ้างก็มี ประเด็นตรงนี้ก็คือว่าเราก็ไม่ไปตามประกอบในธรรมอันเป็นที่ไม่เป็นที่สบายแก่นิพพานนะแล้วก็ดูแลรักษาแผลของเราดูแลรักษาแผลเนี่ยหมายความว่าสํารวมอินรีนะไม่ให้ไม่ให้สิ่งที่เป็นอคุศลเนี่ยเข้ามาที่นี้สํารวมอินรียัไม่ได้อยู่ข้างนอกนะมันอยู่ที่ในจิตเพราะนั้นมันอยู่ที่แต่ละคนอะ ว่าสมมติคุณอยู่ในสภาพแวดล้อมอย่างเดียวกันสมมติเด็กเกิดในสลัมสองคนคนหนึ่งนี่เอาแต่เรื่องชั่วๆในสลมัมมีเยอะแยะอีกคนหนึ่งทิบตัวออกมาจากสลัมได้เห็นว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ขยกักขยงงน่นารังเกียจก็เลยหลุดตัวออกมาจากตรงนั้นได้เป็นนายกรัฐมนตรีได้ที่มาจากสลัมเราก็เคยเห็นอยู่เนาะมันก็เป็นไปได้เพราะนั้นคุณมีการปิดกั้นอินซีอย่างไรเนาะอันนี้ช่วยได้ภาษา ครับทีนี้มันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องอย่างบางคนจะอธิบายเรื่องของกรรมก็มีภาษานั่นแหละก็คือกรรมเป็นเหตุเกิดของกรรมใช่ไหมบางคนก็จะอธิบายด้วยเรื่องว่าเออเขามีอินทรีย์แกล่ามันก็มันก็เป็นเรื่องปฏิจจสมุปาที่เป็นส่วนที่สองที่เราจะต้องพูดถึงใช่ครับที่จะทําให้สัตยธรรมตั้งอยู่ได้นานนะเนาะแล้วก็เชื่อมโยงกันได้อเรื่องภาษานี้จะระวังรักษาปิดกั้นอินทรีย์ได้คุณต้องมีสติใช่เราเสือต่อเต่าสลิ <น> <S <S สติเนี่ยเป็นที่เล่นไปสู่มุตต า, านิพพานครั บ, รบทีนี้ประเด็นอีกนิดหนึ่งก็คือว่าเวลาที่เรามีผัสสะเกิดขึ้นนะมีสติปิดกั้นอินทรีย์ของเราเนี่ยทีนี้คนที่เป็นพระอรหันต์ก็ตามนั่นบรรลุพระอรหันต์ในชาติปัจจุบันแล้วเนี่ยนะครับก็ท่านเหล่านั้นเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่า ก, กําลังของพระอเศขาอยู่กําลังของพระอเศขานเนี่ยก็จะ เป็นสิ่งที่ทําทําให้ท่านเนี่ยมีประกอบในธรรมอันที่เป็นโน้มไปในนิพพานโดยชอบ oh. ออทีนี้ถึงแม้พระอรหันต์เองนะพระอรหันต์เองนะ oh. ก็ยังมีแผลอยู่นะหมายว่าถ้ายังไม่ละกายนี้เนี่ยก็ยังมีตาหูจมูกลิ้นกายใจอยู่ oh. เป็นอิจตนณะอยู่ oh. นะยังมีแผลอยู่ oh. ต่อเมื่อกายนี้ละไปแล้ว oh. นะ oh. แผล่ชื่อว่างอกขึ้นเต็มสบาย ออันนี้จะเป็นสอดคล้องกับพุทธพจนะที่พระพุทธเจ้าเคยพูดว่าเนี่ยเราประพฤติพรหมจรรย์นี้ไม่ใช่เพื่อลาบยศสาการะสรรเสริญเห็นว่าคนนั้นให้คนเดินมายกย่องเราว่าเป็นผู้วิเศษเพื่อล้มล้างหนละที่อื่นหรือเพื่อทําให้คนเดินมาเชื่ออะไรอย่างนั้นอย่างนี้นไม่ใช่แต่เพื่อดับทุกข์สนิทอืมแต่ละมาเขาก็านั่งคิดว่าเราไม่ใช่ดับทุกข์ไปตั้งแต่ตอนที่ตั่งใ ต, ใ, ตใต้ต้นไม้โพ ล, ล้อหล่ออันนั้นดับทุกข์ทางใจใช่ไหมครับอ่<า>แล้วทําไม ที่มาเทศสอนเทศสอนี้ยังดับทุกไม่เสร็จหรออย่างเงี้ยนะจริงๆแล้วพระพุทธเจ้าบทเพียรชนะเนียบมากเนี่ยพระพุทธเจ้าใช้คําว่าดับทุกสนิทสนิทนะจ๊ะไหมันดับทุกได้มากมากเลยแหละแต่ยังไม่สนิทเพราะยังมีกายนี้อยู่ใกายนี้มันมีแผลอยู่มีความปวดเมื่อยบ้างเหยียบหินมันก็เจ็บบ้างนั่งนาำก็เมื่อยบ้างนี่มันก็ยังไม่สนิทนั้นนี่ก็คือเป็นพรรษะที่เรายังต้องมีเป็นแผลที่เรายังมีอยู่ รพระอรหันต์ก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ต่อเมื่อไายนี้มันมันดับไปด้วยแล้วจึงชื่อว่าแผลนี่งอกขึ้นเต็มครบับทุกสนิทแล้วสําหรับพระอรหันต์นะนะเพราะฉะนั้นตัวใครก็แล้วแต่จะเป็นพระอริยะบุคคลขั้นไหนเนี่ยก็จะต้อง อ, อยู่ในธรรมครับจเจริญมากอยู่ตลอดเวลาครับ อ, อท่านครับในระดับอสขะก็คือหมายความว่าอย่างไรครับอสิกะนี่หมายถึง พระอรหันตผลแล้วถ้าเป็นมีทั้งหมด8ดขั้นใช่ไหมโสดาปฏิมร์จนถึงอรัตผลับโซดาปฏิมรคจนถึงอรัตผลเนี่ยโสดาปฏิมร์โซดาปฏิผลสกัดธรมมีมากสกัดธารมมีผลไล่ไปไล่ไปจนถึงอรหัตผลใช่ไหมแปดขั้นตั้งแต่โสดาปฏิมร์จนถึงอนาอรหัตตมร์โซดาปฏิมร์จนถึงอรหัตตมร์เนี่ยตรงนี้เรียกว่าพระเศขะรจนกระทั่งเข้าถึงอรหัตผล นละจึงเป็นอาเซค่ะอดี๋ยวนี้ถ้ายใครยังไม่ถึงโสดาปฏิมรักนี่ก็ปุตุชนธรรมดานะใช่ครับอืืมง่ายๆแค่ว่าคุณเดินตามมรแปดเนี่ยครับเดินตามมรแปดนะคุณก็ชื่อว่าเป็นโซดาปฏิมรักแล้วคือมรนี่แปลว่าเส้นทางไงเส้นทางนี้นะคุณเดินไปนะคุณจะก้าวสู่ความเป็นโสดาบัตคือโสดาปฏิมรักไม่ยากนะแค่ศีลสมาธิปัญญา ใช่ไหมเวลาเราจะโกหกเจ้านายโกหกแฟนโกหกคนข้างตัวอย่าเงี้ยเอ้ยไม่ทำดีกว่านั่น ค, คุณเดินตามมักแล้วเวลาจะพูดเพ้อเจ้อตลกโปกฮ อ, อพูดคำหยาบด่าคน น, ون, คนนู้นคนนี้เอ้ยไม่ทำดีกว่าคุณเดินตามมักแล้ว ค, คุณเป็นโสดาปฏิมากแล้วครับเดินตามตา ม, มักแล้วถ้าเดินตามอย่างนั้นอย่าเพึ่งตายนะ ถ้ายังไม่ได้โสดาปฏิผลอย่าพึ่งตายอ๋อก็คืออย่าพึ่งให้ต้องให้ได้โซดาปฏิโซดาปฏิผลก่อนนี้คือเป็นคำธรรมมาพูดพระพุทธเจ้าก็จะบอกว่าอย่าพึ่งทํากาละก่อนทําให้แจ้งซึ่งโซดาปฏิผลครับอ่าครับมันจะเสียดายมากว่าเราอุตส่าห์คือมาร์กเนี่ยมันหาได้ง่ายๆไม่ยากเพราะว่าเราอยู่ในสิ่งเวทล้อมที่ยังมีคําสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ถึงแม้อาจจะ มีส่วนบิดเบือนไปบ้านแต่ก็ยังมีส่วนถูกอยู่มากครใช่ไหมรเราอาศัยตรงนี้เนี่ยจะทําให้เราเดินอยู่ในโสดาปฏิมาคไดค้ซึ่งรายละเอียดของโสดาปฏิมาคสะกะัดธาคามีมักอนาคามีมักตรงเนี้ยมักมๆกแต่ละอันมันก็จะมีรายละเอียดแตกต่างกันไปน้อยมากๆบ้างแต่ว่าถ้าพูดถึงเรียมกักมีองแปดเนี่ยคือครุมกลุ่มหมดหลักอย่างนี้นะโซดาปฏิมาคกอาจจะยังเสพกามได้บ้างอยู่ แต่ว่าอนณาคามีมรักนี่ก็จะไม่มีเรื่องของการมาเกี่ยวหลังถ้าคุณเดินตามไหนเพราะอย่างพวกศีลแปดผ้าขาวที่มาอยู่ตามวัดอย่างเงี้ยก็จะมีส่วนที่เดินตามอนาคามีมรักมากกว่าคารวาสที่ยังอยู่บ้านครับเนาะรักษาศีลอย่างนั้นก็จะมีความแตกต่างกันมากอยู่ครับอันนี้ก็เรื่องของพรรษาพรอื์ตามนี้เนาะครับ ท่านครับมีคําถามจากจากที่อคุณทิพย์เปรมใจนะครับอ๋อเป็น ค, คอมเมนต์มาจากคุณทิพย์เปรมใจอใช่ใช่ที่ตอนที่สามสิบแปดครับคือคื อ, คอเล่าเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวที่ว่าคุณพ่อเนี่ยจะผ่าตัดแล้วก็คุณทิพย์เนี่ยบอกว่าเดี๋ยวนี้ก็รู้สึกว่าเฉยเฉยก็คือสามารถที่จะเผชิญกับผัสสะที่ไม่น่าพอใจอนะครับคือ เหมือนท่านเลาว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยก็คงจะรู้สึกมากแต่ปัจจุบันเนี่ยก็คือค่อนข้างจะจปล่อยวางก้ า, าแล้วก็อันนี้ก็เป็นการดีคือพึ่งตนพึ่งทบพึ่งหมอก็ตามเหตุปัจจัยนะพึ่งหมอใชครับแต่ว่าอที่เป็นก็อาศัยลมหายใจเป็นเป็นสารณะในกา ร, รเผชิญกับภาษาที่ไม่ดีนะครับใช่แ ล, แล้วก็ประเด็นหนึ่งที่ของกรณีของคุณทิพเพรมใจนี่ก็คือว่า ไอ้เรื่องของธรรมะมันก็จะเป็นขั้นเป็นตอนไปรทีนี้ว่าที่ที่ถามมานี่ยก็ถือว่าถูกต้องนะมีการสั่งสมสุตาแต่ว่ามีการปฏิบัติอะไรต่างๆถูกต้องทีนี้เรื่องของออตําราอย่างเช่นว่าอันนี้มันเป็นปฏิจจสมุปบาทอิพัทธปัจจยตาเห็นการเกิดดับอะไรต่างๆมันเป็นเรื่องออที่พระเจ้าบัญญตัติเอาไว้เนาะเพราะฉะนั้นในการกระทําในจิตของเราเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนั้นอ่ะมันก็มี ความถูกต้องอยู่แต่เราก็ไม่ต้องกังวลเรื่องว่าอันนี้เป็นอันนั้นอันนั้นเป็นอันนี้มันจะเป็นความกังวล อ, อันนั้นเป็นอันนี้ใช่ไหมอันนี้เป็นอย่างนั้นหรือเปล่าอันนี้เป็นขันหา้าอันนี้เป็นเมทานาไม่ต้องกังวลขนาดนั้นอ๋อเป็นวิจิกิจฉาไหมครับอ่าเป็นความรู้สึกอย่างนี้พระเจ้าใช้คําว่าปริโพ ooth ความกังวลอ๋อความกังวลเขาใช้คําว่าอะไรพระเจ้าใช้คำว่าอ่าวิปฏิสารวิปฏิสารวิปฏิสารซึ่งไม่ ไม่ไม่จำเป็นต้องคิดใช่ไหมครับคือถ้าเราอยู่การกระทําเนี่ยถูกต้องก็อ่าใช่เหตยถูกต้องละพอละสบายใจละไม่ต้องบอกไม่ต้องกังวลว่าไอ้นี่มันปฏิจจสมุปาเรื่อึมันอันเทียปัญญยตาอันนี้มันกดอะไรกันแน่เงี้ยมันจะมึนแล้วก็ปวดหัวสร้างก็เอาเป็นว่าเราสร้างเหตุถูกต้องลราสบายใจละอก็จะว่าไงไม่เป็นไรนะเอาตามที่พระเจ้าว่ากาแล้วกันออืมครัยิ้มเข้าไว้ ครับก็ต้องขออนุโมทนากับคุณทิพด้วยนะครับรู้สึกว่าก้าวหน้าดีนะครับสมอธงเอ้ยคนในโลกนี้่มันมีความทุกข์กันมากมากจริงๆครับเฮ็ดเอ๊ะทำไมเทคโนโลยีเราดีขึ้นมากมาแต่ว่าก็ยังคนก็ยังมีความทุกข์มากอยู่เรามาแก้กันตรงนี้แหละแล้วทําใจให้สบายทุกท่านเอ้ยสร้างบุญมาดีแล้วครับอแล้วก็ค่อยทําค่อยแก้ไขกันไปครับชีวิตมีทางออก ครับใช่นะแล้วก็คิดว่าจะมาต่อในตอนที่สี่สิบในข่าวต่อไปครับครับนิดนิดนึงในในใตอนท่านพิวอชีวิตมีท่านออกก็คือตอนนี้เออเรารับรู้กันเรื่องของภัยพิบัติอย่างน้ําท่วมอย่างเงี้ยโอ้เียกว่าครึ่งค้อนประเทศนะครับตั้งแต่เหนือกลางโอ้โหก็ก็คิดว่าเนี่ยสิ่งสิ่งที่ท่านอาจารย์ได้ประรบมาเนี่ยก็นํามาใช้ได้นะครับว่าโอ้ทุกในโลกนี้มันมากมายจริงๆริง ใช่ก็ให้คิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติแล้วก็พยายามปล่อย ม, มีคนสิงค โ, โปร์เขียนอีเม ล, ลมาเามาบอกว่าชีวิตเขาเนี่ยอายุต่้งหลายละคนเขียนอีเม ล, ลม์อายุสี่จุดเก้าปีวันเกิดเขาบัดี้บดีเลยนะเ ข, เขามานั่งอยู่ที่คอฟฟี่ช็อปแล้วก็ไม่รู้ว่าจะกลับบ้านไปเพราะอะไรว่ากลับบ้านไปก็ไม่มีความสุขเป็นหนี้งานร บ, บริษัทที่ทำไว้ก็เจ๊งหัวหน้าก็ไม่ดีญาติก็ไม่มีใครช่วยแม่ก็เสียไปแล้ว โอ้มีแต่ความทุกข์มากๆเลยเขาบอกว่าชีวิตเขาน่าจะมีมิราเคิลเขาเรียกว่าความอะไรมาสจันร์มีโชคบ้างอะไรบ้างเขาอย่างเงี้ยนะแว่าธรรมะจะช่วยเขาได้ไงว่าธรรมารู้อธิบายยังไงอาไว้ค่อยอธิบายตอนที่สี่สิบดีกว่าจะยาวจริงจริงตอนนี้จะมีได้มีการเตรียมการทำพอดแคสต์ภาพภาษาอังกฤษอ๋อครับภาพภาษาอังกฤษซึ่งคือหมายว่าไม่ใช่ว่าเอาพอดแคสต์ภาษาไทย ไมแปลไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เอาเปิดทําที่ถูกปิดภาคออนไลน์เนี่ยไปแปลเป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าเป็นรายการใหม่ขึ้นมาเลยอธตรมา for life ผู้ดาเนินรายการเป็นเป็นคนก็เป็นเป็นชาวคนที่อาจจะมาเคยโค้ชอยู่ที่สิงคโปร์เป็นชาวสิงคโปร์ชื่ออวินซุนแล้วก็ตอนนี้ก็กําลังเตรียมการกันอยู่ในเรื่องของคําศัพท์ต่างๆการพูดคุยและเทคโนโลยีบางอย่างด้วยแล้วก็จะใช้ ซอฟแวร์ต่าง ๆ, ๆยังไงก็เตรียมการกันอยู่ก็คิดว่าภายในเดือนตุลาคมก่อนสิ้นเดือนก็จะจัดตอนแรกให้ฟังกันได้ออืก็จะเป็นรายสัปดาห์เหมือนกันเขาคิดว่าจะเป็นทุกวันจันทร์ออืคือเปิดตามที่สุข ป, ปิดภาพออนไลน์เนี่ยเป็นทุกวันพฤหัสใช่ไหมใช่ครับส่วนธรรมะ for life ภาษาอังกฤษนี่ก็จะเป็นทุกวันจันทร์ออืก็เผยแพร่ทาง เ, เดอลธรรม .com เหมือนกันใช่ไหมครับใช่ใชช่ที่เดียวกันนี่แหละก็มีสองรายการตอนนี้ครับ ครับต้องขออนุมโมทนาอย่างยิ่งเลยครับที่จะเผยแพร่ออกสู่ต่างประเทศด้วยนะครับทีนี้มันจะไม่เหมือนกันนะเพราะว่าับอย่างคนไทยเนี่ยจะมีแบ็กกราวน์ในความรู้เรื่องธรรมะพอสมควรแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นการใช้ภาษาคําศัพท์อะไรต่างามันก็จะเป็นลักษณะหนึ่งส่วนภาษาอังกฤษเนี่ยโดยเฉพาะอวินซุนก็จ ะ, ะไม่ค่อยมีความรู้เรื่องธรรมะเหมือนกับคนไทยมือใหม่มือใหม่คือเป็นลักษณะแบบ แบบอีกแบบหนึ่งไปเลยอ่ะับนะความรู้เรื่องธรรมะเขาก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งไปอืครับก็ดีนะมันก็เหมือนกับเป็นตัวแทนสําหรับคนไทยที่ไม่เคยสนใจเหมือนกันก็จะอ้าวมีคนสิงคโปร์เนี่ยเขามาเริ่มต้นศึกษาเนี่ยมันอืมพราะว่าธรรมะเนี่ยพอพอมีชาวต่างชาติศึกษาแล้วก็เหมือนกับจุดประกายขึ้นมาเนี่ยคนไทยก็บอก้า อ, อย่างเช่นเจอพระฝรั่งอย่างเงี้ยว่าคนไทยบอกโอ้ โอ้น่าศรัทธาจังเลยฝรั่งยังบวชอย่เงี้ยเป็นอะไรที่กระตุกความคิดคนไทยเยอะนะครับผมได้ยินบ่อยมากเลยครับใช่ครับก็เกิดจะค่อยๆเริ่มดําเนินการไปตอนนี้อีกประการหนึ่งคือช่วงออกพรรษาเนี่ยครับหลังจากที่ออกพรรษาไปแล้วก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องรายการวิทยุนิดหนึ่งที่เราฟังกันอยู่นี้ก็จะออกอากาศในวันวันพฤหัสที่6ตุลาคมใช่ไหมทีนี้ตั้งแต่ออกพรรษาไปแล้ว คือเรื่องตั้งแต่วันที่17ตุลาคมเนี่ยก็จะมีรายการวิธีุที่สถานีพิธีุกระจายเสียงประเทศไทยเนี่ยสวททุกวันเลยเจ็ดวันตลอดเจดวันก็จะจัดรายการตั้งแต่ีห้าถึงตีห้าครึ่งอันั้นก็ไปฟังกันได้รายละเอียดก็จะค่อยมานำเสนอต่อไปในสัปดาห์หน้าก็ได้ยังมีเวลาอยู่ ตอนที่ส9มสิบเก้าก็มีเท่านี้เราได้พูดรเรื่องอะไรไปบ้างหมรพงตอนที่สบเก็มีเรื่องของกรรมครับกรรมภ<อ>าคภาคต่อเนื่องครับแล้วก็วกมีเรื่องของปัสสาวะครั บ, รบแล้วก็ยังจะมีเรื่องของความที่แผลนี่แหละก็คือปัสสะครับเนาะเป็นผู้ปิดกัน้นปัสสะแล้วก็ได้พูดถึงรายการที่เราจะมีต่อไปในอนาคตใช่ไหมคือพอดแคสต์ h รรมะ for life แล้วก็ ภาษาอังกฤษการพิธีต่างๆสักนิดหนึ่งด้วยครับครับตามนี้ครับดีครับก็ถ้าท่านผู้ฟังมีคําถามใกส็ส่งมาที่เพียวธรรมะ .com นะครับอืครับก็ส่งมาได้เลยหรือว่าแนะนําอยากจะทราบาคือต้องการจะทราบเนื้อหาอะไรที่ติดขัดหรือว่าส่งมาได้เลยนะครับหรือว่าคําถามอะไรก็ตามนะครับยินดีที่จะพิจารณาตอบทุกคําถามครับหรือจะมีประสบการณ์ที่จะแบ่งปันให้ ให้ผู้ฟังท่านอื่นทราบก็เขียนมาได้ครับครับโอเคงั้นก็อยพบกันในตอนที่40ในตอนหน้าอันนี้กลับน้ำัสการขอบพระคุณพระอาจารย์ภัยบูรณ์พิพุนโนครับสวัอดีรครับสวัสดีครับ